และจา ก, กรรมของแม่ที่จะทำให้ได้ลูกดีหรือไม่ดีเป็นลูกประเภทไหนอย่างไรสาหรับความฝันที่เกี่ยวกับโอปปปาติกานั้นมีสาเหตุดังนี้คือโอปปปาติกะบางตนเมื่อถึงกราวที่จะต้องจุติและด้วยวิบากของกรรมซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่าจะทำให้ไปเกิดในที่ไหนไปเกิดกับใครแต่ก็ด้วยวิบากร น, นั้นแหละ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 ภาพที่ปรากฏเป็นนิมิตในเวลาฝันนั้นเกิดมาจากอำนาจแห่งวิบากของกรรมซึ่งอาจจะเป็นของโอปปปาติกาที่มาเกิดและอาจจะเป็นของแม่หรือของพ่อหรือของทั้งสามฝ่ายรวมกันก็ได้อันหนึง่งท่านบอกว่าโอปปปาติกาที่สิ้นกรรมและจะต้องจุติคือตายหรือเคลื่อนจากภพนั้น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 และทำให้แม่มีอาการแพ้ท้องออกมาตามลักษณะของร่างกายและจิตใจนั้นๆ